Mm-hmm. <laughs> ฟังหลวงพ่อเป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาไปทาดูไม่ใช่ฟังให้จำไม่ใช่เล่านิยายไม่ใช่สอนวิชาการเป็นปฏิบัติการพูดแล้วทำได้ทันทีบางทีมันเห็นด้วย <c oughs> เห็นไปกับคำที่พูด แล้วรูเห็นพบเห็นไปกับคําที่พูดไม่ใช่คิดเห็นคาพูดไม่ใช่เรื่องคิดเห็นคำที่พูดเป็นเรื่องพบเห็นนี่คือของจริงของจริงต้องพบเห็นของไม่จริงก็คือคิดเห็นมันเรานั่งอยู่นี่นี่แหละคือวัดป่าสุกโตเราไปถามใครไหมไม่ต้องถามแล้วเราอยู่ที่นี่แล้ว สกุโตก็คือที่นี่ถ้าเราอยู่กรุงเทพก็เพียงแต่คิดเห็นการคิดเห็นอาจจะไม่เป็นความจริงเป็นของจริงแต่พบเห็นนั่นอ่นะนั่นเราเป็นปัจจัดตังดูเองเห็นเองการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราสร้างสติอย่างเดียวก็จะเกิดการพบเห็นหลายอย่าง พระพุทธเจ้าสอนมากเรื่องการเห็นเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาอพอมีสติก็เห็นกายล่ะมีสติดูกายมันก็ต้องเห็นกายไม่ใช่เห็นนิมิตไม่ใช่เห็นเทวดาอินพรมตรงไหนเห็นกายนี่แหละเวทนามันก็อยู่ในกายนี่ กิจมันก็อยู่ในกายนี่ธรรมก็อยู่ในกายในกิจนี่เ่รามันเป็นโูกมันเป็นนาม <c oughs> มันอยู่ด้วยกันคือคนยังไม่ตายคนมันยังเป็นๆอยู่มันยังมีร้อนมีหนาวมันยังมีปวดมีเมื่อยมันยังมีอเกิด ม, กมีแก่มีเก็บมีตายในกายเนี่ย <c oughs> เรามีสติก็จะเกิดการเห็นทันทีรู้เห็นพบเห็นแต่เราจะอยู่ไกลซักหน่อยก็รู้เห็นไกลออกไปอีกคลิปก็คิดเห็นตอนอยู่ใกล้ๆก็พบเห็นเห็นความคิดตัวเองเห็นแล้วไม่ใช่เพิกเฉยเลยละมาให้ความคิดมันหลอกได้ เห็นแล้วมันเกิดปัญญาไม่ใช่เห็นแล้วมันเกิดความหลงความโง่เห็นแล้วเกิดปัญญาเห็นความหลงเกิดปัญญาเห็นความคิดเกิดปัญญาเห็นความสุขความทุกข์เห็นเวทนาเกิดปัญญาเห็นโูกเกิดปัญญาเห็นนามเกิดปัญญาปัญญามันเกิดทางนี้หละ รวเจ้าว่าความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาสังขารคือกายจะสังขารจิตจสังขารสังขารที่เกิดกับกายมีมากสังขารที่เกิดกับจิตมีมากสังขารที่เกิดกับกายเนี่ยกำหนดลู่หรือการลู่สังขารที่เกิดกับจิตกําหนดลู่ลู่หรือการละเรียกว่าวิสังขาร มันเกิดกับกิจนะท่านเรียกวิวสังขารอย่าให้พลาดตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นวิสังขารมันจะลงโทษเราตัวกิจสังขาร น, นี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไปไกลเป็นกิเลสตัณหาเป็นราคะเป็นความโกรธความโลภความหลงเป็นความรักความชังเป็นความโศก ค, ความทุกข์สารพัดสารเพเอรอยแปดัญญา ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวิสังขารมันก็ <c oughs> แล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็สะดวกตอนเปลี่ยนเป็นวิสังขารถ้าถ้าไม่เปลี่ยนมันไม่สะดวกมันลงโทษแต่าสังขารอย่างอาจารย์พุะธรธาตว่าอะนิพานก็ไม่อยู่ในสังขาร น, นั้น ความเยนม็นก็ไม่อยู่ในความร้อนนั่นความไม่ทุกข์ก็อยู่ในความทุกข์นั่นแหละล้าเราเปลี่ยนปฏิบัติตัวจริงก็คือตัวเปลี่ยนเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนเป็นตัวลูกในสกลที่สุดในกายในใจของเราทั้งหมดชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นตัวลูก เป็นหลักสากลต่อมันหลงก็บรูปนะต่อมันสุขก็บรูปนะต่อมันทุกข์ก็บรูปถ้ามันโกรธก็บรูปนะเนี่ยเอาตัวรูปเป็นหลักก่อนหรือว่าตัวรูปเป็นสถาบันตัวรูปแบบสติปัฏฐานนะไม่ใช่คิดรูปนะมันรูปเห็นมันสมบูรณ์แบบเปลี่ยนเป็นตัวรูป เป็นหลักสาคนของชีวิตที่สุดเลยละ่ะถ้าเป็นกุญแจก็เป็นกุญแจดอกเอกหลุดได้พ้นได้จบแค่นั้นทุกก็ได้กำหนดลู่ได้ทำแล้วได้ดับทุกได้แล้วพ้นทุกได้แล้วนี่คือตัวลู่ถ้าในหลักอริยสัรสี่ทุกเป็นสิ่งที่กำหนดลู่ ทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ได้ทำเหตุนั้นแล้วก็ได้ทำแล้วตัวตัวรู้เนี่ยนะตัวรู้พับเนี่ยกระบวนการแห่งความหลุดพ้นครบท้วนบริบูรณ์ไม่ต้องไปคิดไห้มันถี่ยิดเทียงแต่เรารู้สึกเท่านั้นล่ละ เป็นอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาหรือว่าสรุปลงก็คือตัวมรรคอันแล้วมรรคคือดูคือเห็นคือรู้นี่ไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านอ๋อตาคือปัญญาคือตาในคือตัวโูกของเราเนะไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านถ้าเรามีนะแต่เราไม่มีเราหลับซะมันก็ ก็พลาดโอกาสพวกเราจึงสร้างจึงพากันมาสร้างตัวรูปให้มากมากอย่าอยู่นิ่งนิ่งอย่าอยู่เฉยเฉยให้มันลอบเป็นหน้ารอกชีวิตของเราจะเป็นอะไรก็ตามมาทางไหนเวมิมโลสึกออกรับเป็นนายทวารบาน วานบาลก็คือผู้เฝ้าประตูผู้ดูผู้เห็นถ้าเราไม่สร้างตัวรูปมันจะไม่พอใช่มันจะจนคนโกรธคือคนจนไม่ไม่ไม่มีตัวรูปไม่มีวัดไม่มีทรัพย์ไม่มีเรียทรัพย์ที่มาใช้เขาจึงโกรธเขาจึงทุกข์เขาจึงเกิดที่เหลดั n หาแต่ถ้ารู้ซึกสร้างตัวรูปให้มากๆ เราก็จะไม่จนพบแต่พบแต่ ท, ทางทางออกเยอะแยะบางบบทีก็ <c oughs> กําหนดลู่รยการลู่ ก, กําหนดลู่โดยการบรรเทากําหนดลู่โดยการละมีเยอะแยะทางออกเราจงค้ากันมาสร้างตัวลู่ตัวลู่นี่เป็นอิสระนะไม่ช่่ไม่ใช่ไปตามใคร ไม่ใช่ตามอาจารย์เผยสารไม่ใช่ตามหลวงพ่อไม่ใช่ตามใครทั้งหมดถ้าเรายังตามคนอื่นอยู่ไม่ใช่เป็นอิสระไม่ใช่ไปตามหลวงปู่เทียนพระพุทเจ้าของเราเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนส่วนการกระทําเป็นหน้าที่ของเราความหลงอาจะต่างกันความผิดอาจะต่างกันความโถูกอาจจะต่างกันถูกโอกาสต่างกัน โอกาสผิดก็ต่างกันเห็นความคิดเราคิดเวลาใดเวลาใดมันคิดเราหลงหรือว่าเราลูก อ, อาจจะต่างกันตรงนี้เวลาชั่วโมงเท่ากันแต่เราหลงเราไม่มีความรู้สึกนี่ตัวนี้แหละเป็นโอกาส ของเราอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปกลัวความผิดในความรู้เป็นหลักสร้างตัวรู้เอาไว้รู้ศึกรู้สึกพิยาที่รู้ก็ไม่ใช่คิดเอาสัมผัสเอาได้จริงๆเห็นรูปแบบรูปแบบของการสร้างตัวรู้ที่เราพากันทําอยู่สมบูรณ์ เป็นการศึกษาก็อุดมละชั้นอุดมไม่ใช่ชั้นปถมไม่ใช่ชั้นมัธยมเป็นชั้นอุดมครบถ้วนอ่าายก็มีลูกก็มีสมมุญแบบถ้าไปดูในมิตไม่สมบุญนะไปอิงไปอิงอันอื่นอันนี้เราไม่ต้องไปอิงอาศัยเสียงใดเอาของจริงมากำหนด เอากายเนี่ยเอากายเนี่ยมาเป็นในมิตกายก็เป็นของจริงไม่ใช่สีไม่ใช่แสงไม่ใช่ลูกแก้ว <c oughs> เป็นกายจริงจริงพลิกขึ้นยกขึ้นวางลงรู้สึกไปกับพิริยาไปกับรูปแบบเพาเจตนาใสให้มันรู้สึกเนี่ยสมบูรณ ถารูต้ตรงนี้เราก็ใช้ได้ถูกแล้วถ้ามันเกิดที่จะดักไปให้เป็นหลงอย่างรู้อย่างอื่นทำรู้อยู่ดีๆได้ยินเสียงไก่ขันอ่าไม่เป็นไรได้ยินรู้แล้วไม่เป็นไรรู้รอบอยู่นี่แหละไม่ใช่ปิดหูไม่ใช่ปิดตารู้อยู่แต่ว่าจุดคือกายที่นิมิต่เราตั้งไว้นมิต่เราตั้งไว้ไม่ปฏิเสธ อะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่เราสร้างตัวลกูกเราไม่ปฏิเสธบางทีเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราอยู่ด้วยกันฉันเชาาเสร็จมารวมกันที่สลาไก่เดินจงกรมมาสร้างสติตรอดเงบ่ายโมงก็มารวมกันที่นี่ไ ม, ไม่ได้ปฏิเสธเรา <c oughs> แต่เรามีตัวโลกเหมือนก็เราอยู่คนเดียวหรือเหมือนกับเป็นคนคนเดียวใครก็รู้ใครก็รู้เสียงไอเสียงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกประสบการณ์ดีด้วยเราอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่อืมไม่มีอันที่จะประสบการณ์ไม่มีอันที่จะแก้ไข อาจจะไม่เก่งนะหรืออาจจะเก่งก็ได้ไม่แน่แต่ว่าถ้าว่าเราเปลี่ยนหลงให้เป็นรูปบ่อยๆเนี่ยตัวนี้จะเก่งมากให้มันหลงลงไปให้มันง่วงลงไปให้มันคิดลงไปเราจะรูปมันอยู่นี่แหละ ว, วัตถุที่เรารูปจะมีมีอยู่กิงเอาให้มันชัดชัด ถ้าทำค่อยๆมันหลงมากทำแรงๆถ้าทำช้าๆมันหลงกับทำไวๆปึ๊บป๊บปึ๊บป๊ในบางครั้งบางคราวอให้มันแรงๆให้มันพอเหมาะกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับขณะที่เราทำนี่ไม่ต้องตามใครศรัทธาทำไม่ต้องตามใครรู้ไปทำไปใน เหตุในปัจจัยที่จะสร้างตัวลูกได้เหตุใดที่มันหลงสร้างเหตุให้มันลูกเราก็เหตุที่มันลูกพย า, ายามใส่ใจเราก็ลูกอยู่เราก็ทําได้อยู่จริงๆไม่ต้องไปขอร้องใครช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เราก็ช่วยตัวเองเราหลงมเมื่อะไรเราก็ลูกเ อ, เอง มันรูอยู่แล้วก็สร้างตัวรูดไปเรื่อยๆนะครับเราคองตัวรูดของตัวเองไปไม่ต้องกลัวอะไรแต่ไปคิดหน้าคิดหลังแต่รู้สึกก็ถูกแล้วแต่เลีกไปจากตรงนี้แต่มันรูดก็ใช่ได้ละรูดอะไรรูดเท่านี้หรือไม่ต้องไปคิดมันแต่รู้สึกแต่รูดอยู่รูดอยู่ก็ใช่ได้แต่มันรูดนะมันก็ถูกทั้งหมดแล้วล่ะ แต่ถ้ามันหลงก็รู้จักเปลี่ยนแล้วมันจะเห็นอะไรบางทีอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเห็นโูกเห็นน้ำให้เห็นทุกข์ให้เห็นอ่าสมมุติเห็นบัญญัติเห็นปรัชมส์เห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกุศลเหล็กุศลอันก็อยากไปคิดถ่าไม่ต้องไปคิดถามันบางที สิ่งเหลานั่นมีอยู่แล้วถ้า ต, ตัวลู่มันก็มีอะไรอยู่ในนั่นแหล่ะแต่ลูมากลูมากลูมากเข้าไปบางทีไม่ต้องลู่อะไรไปพอไปถึงจุดหมายปลายทางมันจะมองกลับมันก็จุดลู่มองก็เราเดินทางจากกรุงเทพนคนหมอเดินทางจากราดพรีเพชรบุรีลาชบุรีรบรมาพอมาถึงสุขศโตกลู่มาเราผ่านตรงไหนเราผ่านตรงไหน เวลาที่เดินไม่ต้องไปสังเกตอะไรต่อมาถึงแล้วมันอาจจะทบทวนอาจจะเก่งกว่าคนที่ยังไม่มาถึง่าไปสนใจอย่าไปอ่ <c oughs> องแวะกำเหตุการต่างๆหรือเพราะการเจริญสตินี่ ผมว่ามันสะดวกมากๆทีเดียวไม่เหมือนกับทำอย่างอื่นเราทำแบบพุทธโทเนี่ยโอ้ยบริกรรมบางที ก, ก็ต้องเป็น